มนุษย์เนี่ยมีความสามารถอย่างหนึ่งนะคือการยิ้มการยิ้มนี่เป็นความสามารถที่สัตว์น้อยชนิดนะจะทำได้หรือว่านานๆจะเห็นทีนะอย่างคงไม่ง่ายจะเห็นแมวยิ้มนะหรือว่าหมายิ้มแต่คนเนี่ยสามารถจะยิ้มได้บ่อย แกนีการยิมเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรมันมีผลอย่างไรอันนี้หลายคนก็ จ, จะรู้อยู่แล้วแต่ว่านักวิชาการนี่เขาก็อยากจะรู้ให้ชัดกว่านี้มีหมาอะไร ห, หนึ่งนะเขาก็ทำการทดลองแบบง่ายๆก็คือให้ผู้โดยสารรถเมในกรุงลอนดอนเนี่ย เวลาขึ้นรถก็ดีหรือว่าเวลาจะลงจากรถก็ดีก็ให้ทักทายคนขับรถตอนขึ้นก็อาจจะสวัสดีตอนลงก็อาจจะขอบคุณหรือไม่เช่นั้นก็ยิ้มให้ยิ้มเฉยๆพอยิ้มแล้วเนี่ยหรือทักทายแล้วนี่เขาก็ไปสอบถามผู้โดยสารเนี่ยเหล่านั้นว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อเกือบรอยเปอร์เซ็นต์นะ บอกว่ายิ้มแล้วเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกดีก็รวมไปถึงมีความสุขด้วยและนี่ก็น่าสนใจนะปกติคนเรามีความสุขจึงจะยิ้มนะอันนี้เราก็รู้อยู่เวลาเรามีความสุขเวลาเราดีใจเราก็ยิ้มแต่ในทางหนึง่งเมื่อแต่ก็ตามที่เรายิ้มเราก็พลอยมีความสุขได้ง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าตอนก่อนจะยิ้มเนะี่ยเราไม่ได้มีความสุขอะไรเฉยๆแต่พอเราฉีกยิ้มนะเช่นฉีกยิ้มให้กับคนขับรถคนขับรถเมย์บอกกว่าคนที่ยิ้มนั่นแหละนะที่มีความสุขไม่ต้องพูดถึงคนขับรถที่เขาได้รับหรือได้เห็นรอยยิ้มนะจากผู้โดยสาร อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะร้อยทัองร้อยก็จะบอกเลยนะว่าโอ้ดีใจมีความสุขนะที่เห็นผู้โดยสารยิ้มให้แต่ว่าคนไม่ค่อยตะหนักนะว่าผู้โดยสารเองเนี่ยเมื่อยิ้มให้กับคนขับรถหรือจะรวมถึงคนอื่นด้วยก็ได้ที่ไม่รู้จักตัวเองก็ปล่อยมีความสุขไปด้วยหรือมีความสึกดีอันนี้ก็เป็น เรกว่าอ น, นิสง์ของการยิ้มนะเวลาเราเครียดเราลองยิ้มดูนะอาจจะยิ้มให้กับท้องฟ้าอาจจะยิ้มให้กับต้นไม้อาจจะยิ้มให้กับน้องหมาน้องแมวอาจจะยิ้มให้ผู้คนหรือยิ้มให้ตัวเองก็ได้เราจะรู้สึกว่าความเครียดมันทุเลาลงเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายค น, นยมีความเครียดเพราะ ตั้งใจมากไปหลวงพ่ออมเกียวมื่งกีท่านก็บอกว่าให้ยิ้มนะให้ลองยิ้มดูยิ้มให้กับตัวเองให้เพียงแค่ฉีกยิ้มให้เนี่ยนะบนใบหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อที่แก้มหรือที่ปากเดียวนะมันส่งผลถึงใจด้วยมันทำให้ใจผ่อนคลายอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆในน้อยนะที่มันเชื่ออะไรนะว่า าการยิ้มนี่มันมีประโยชน์เดิมทีเราก็ยิ้มต่อเมื่อดีใจต่อเมื่อมีความสุขร่างกายเราจิตใจเราก็จําได้นะวันนั้นแม้ในยามที่เราไม่มีความสุขเฉยๆแต่พอเรายิ้มขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะไปส่งผลต่อจิตใจให้พลอยมีความสุขไว้เรื่อยหรือเหมือนกับเวลาเราง่วงเราก็จะเอะหลัง หรือว่านอนแต่ถึงแม้เราไม่ง่วงนะถ้าเกิดว่าเราเอนหลังเมื่อไหร่หรือว่าเราล้มตัวลงนอนเมื่อไหร่มันจะง่วงขึ้นมาทันทีเลยคล้ายๆว่ามันมีสัญญาณจากร่างกายมีสัญญาณจากอิรียบนนี่นะว่าเอนหลังเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่นี่ก็เตรียมตัวง่วงได้เลยอาจจะมีสารบางอย่างมันหลั่งออกมาเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจึงบอกให้นั่งตรงๆ อย่าเอะหลังอย่าพิงเสาเพราะว่าขืนพิงเสาเมื่อไรนี่มันเหมือนกับว่าร่างกายจะได้รับสัญญาณว่าได้เวลานอนแล้วมันก็จะเริ่มง่วงทันทีเลยเช่นเดียวกันนะเวลาเรามีความสุขแล้วเรายิ้มพอถึงเวลาที่เรายิ้มนะแม่จะรู้สึกเฉยแต่ว่ารอยยิ้มมันก็ส่งสัญญาณให้กับร่างกายจิตใจว่า ผ่อนคลายได้แล้วเกิดความสุขขึ้นมาทันทีจริงไม่เพียงแต่รอยยิ้มนะที่เราให้คนแปลกหน้านะการพูดคุยการทักทายคนแปลกหน้านี่มันก็มีผลตอ่อจิตใจเราเหมือนกันนะที่เมืองชิคาโกเนี่ยเป็นเมืองที่คนพลุกพล่านมากแล้ ว, ลวเวลาคนเขาขึ้นรถไม่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟเนี่ยนะ คนก็ไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหรก่ก็เลยมีการสอบถามนะผู้โดยสารก่อนที่จะขึ้นรถไฟบอกว่าน่ะถ้าเทียบระหว่างการพูดคุยกับคนแปลกหน้าบนรถไฟกับการอยู่กับตัวเองเช่นอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าทำงานอะไรที่คุณคิดว่ามันจะให้ความรู้สึกที่ดีกับคุณ พอตอบคำถามแล้วเนี่ยก็จะแบ่งคนเหล่านี้เป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยพอขึ้นรถไฟก็ให้ทักทายผู้คุยกับคนแปลกหน้ากลุ่มที่สองไม่ต้องทำอะไรนะอยู่กับตัวเองเหมือ น, นที่เคยทำอาจจะดูหนังสือพิมพ์อาจจะเล่นปิศาณสอนคขว้หรือว่าดูโทรศัพท์ พอเดินทางเสร็จลงจากรถไฟเขาก็จะสอบถามความรู้สึกก่อนคือรถไฟเนี่ยเมื่อได้รับแบบสอบถามเนี่ยเกือบจะร้อยทั้งร้อยเลยจะบอกว่าไอ้การไปพูดคุยกับคนแปลกเน้านี้ฉันไม่ค่อยชอบความรู้สึกที่ดีกว่าคือการอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดคุยกับใครไปพูดคุยกับคนอื่นแล้วมันยุ่งยากน่ารำคาญอะไรทํานองนี้นะ แต่พอได้ลองพูดคุยกับคนแปลกหน้าดูเพราะกลุ่มแรกเนี่ยเขาได้รับมอบหมายว่าคือรถไฟแล้วก็ได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าหลายคนจะบอกว่าเนี่ยพอพูดคุยกับคนแปลกหน้าแล้วเออมันรู้สึกดีนะผิดคาดก่อนขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าคุยกับคนแปลกหน้านี่มันไม่ค่อยชอบอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวดีกว่าแต่พอ ได้พูดคุยกับคนแปลกหนะ้าเพราะว่าได้รับคำสั่งมาให้ลองพูดคุยดูเพราะ ว, าว่ามันให้ความรู้สึกที่ดีนะผิดคาดนะอันนี้มันก็แสงเห็นนะว่าเออการที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแม้จะไม่รู้จักนี่ไม่เพียงแต่การยิ้มให้แต่รวมไปถึงการพูดคุยทักทายมันก็สามารถทําให้เรามีความสุขได้ทําให้เกิดความรู้สึกดีๆเพราะมนุษย์เราหมัอนก็ปรารถนาการติดต่อสัมพันธ์ และสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะไม่รู้ไม่รู้สึกนะเพราะว่าเราคิดว่าเนี่ยไปคุยกับคนอื่นมันยุ่งจา้านะอยู่ตัวเองดีกว่าอยู่กับโทรศัพท์ดีกว่าแต่พอถึงเวลาได้ทดลองทําดูเออมันดีฮนะผิดคาดนะสิ่งที่คาดไว้เนี่ยบางทีเราก็คาดไม่ตรงความจริงนะความคาดหวังคนเราบางทีมันก็ไม่ตรงความจริงเสมอไปเพราะงั้นก็อย่าไป เชื่อฟังหรือยึติกความคาดหวังของเรามากนะเพราะว่าความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้